ผลจากการโค้งของแสงที่ไอน์สไตน์คำนวณได้กับทฤษฎีของไอแซคนิวตันเนี่ยเลขไม่ตรงกันตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากอาไอน์สตน์หรือนิวตันเท่านั้นที่จะต้องถูกโลกฟิสิกส์ก็เปลี่ยนแบบกลับไปไม่เหมือนเดิมอีกเลยคือแต่ก่อนเนี่ยไอน์สไตน์รางวัลโนเบลยังไม่ได้จากทฤษฎีนี้เลยอ่ะอคนยังแบบใช่ป่าอะไรเงี้ยอมองว่าที่น่าสนใจคือตัวเลขที่พี่ป๋องแปงบอกว่าเขามาเจอตัวคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ย ต้องปี2015เองใช่จะเห็นว่าความรู้หนึ่งที่มันถูกตั้งต้นมาตั้งแต่ยุคของไอน์สไตน์อ่ะเราค่อยๆศึกษามันค่อยๆรู้จักมันมากขึ้นได้ผ่านเวลามันนานขนาดเนี้ยเราก็ยังมีสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจมัน 100% อีกมากมายแล้วก็ศึกษาต่อเราไม่แน่ว่าในอนาคตมันอาจจะมาคอนเฟิร์มหรือมันอาจจะมาหักล้างเราก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้นะใช่ You're listening to the Standard Podcast the eye-opening experience for your ears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 จะทำความเข้าใจปรากฏการธรรมชาติที่เกี่ยวกับความโน้มถ่วงนะคะทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยก็มีคำตอบแล้วก็อธิบายเราได้ค่ะซึ่งในยุคนึงเนี่ยทฤษฎีนี้ก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องของแรงโน้มถ่วงต่างไปจากที่คนเคยเข้าใจในแบบของไอแซกนิวตันด้วยนะคะมาคุยกันในวันนี้กับใดๆในโลกรวนฟิสิกส์อยู่กับฟังรัฐทา ร, รจิตพนาค่ะและผมปองแผงอัดวรงจันทมาศครับ พี่มองไปคะ่ะพูดชื่อทฤษสีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยเราเคยทำตอนเรื่องของพิเศษไปแล้วเนะาะแต่ตอนนี้เป็นตอนทั่วไปมันเกี่ยวข้องกับอะไรคะ่ะสัมพัทธภาพทั่วไปหรือ general relativity นะครับตอนสมัยเรียนเนี่ยผมกับเพื่อนๆแล้วก็ครูเนี่ยก็มาจะเรียกสั้นๆว่า GR เนาะ general relativity GR GR เนี่ยเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายธรรมชาติของความโน้มถ่วงในแบบที่เอาเบิร์ตไอน์สไตน์คิดขึ้นมา ในปี1915ซึ่งความโน้มถ่วงเนี่ยเหมือนกับแรงโน้มถ่วงไหมคะความโน้มถ่วง Gravitational มันจะเป็นปรากฏการ์เป็นคํากลางๆที่เอาไปต่ออะไรอื่นๆได้อีกหลายอย่างเนาะอาจจะเป็น Gravitational Force Gravitational l ล n ลนซิ g งกราฟิเทชชั่นอลอะไรเงี้ยก็ปรากฏการ์เกี่ยวกับความโน้มถ่วงก็จะเป็นคํากว้างๆที่ใช้ได้กับหลายอย่างค่ะใช่แล้วตอนนั้นที่ไอสไตล์เขาแบบคิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้เงี้ยมันมันไปตีหรือว่ามันต่างกับที่ไอแซคนิวตันพูดไว้ไหมค าเยอะมกความต่างที่สําคัญที่สุดเลยนะคือคณิตศาสตร์ที่ใช้เนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ยากมากยากขนาดที่ไอน์สไตน์เองก็ยังรู้สึกยากคือไอน์สไตน์เนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยนะครับเป็นนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์ไอน์สไตน์เองก็ยังรู้สึกคณิตศาสตร์มันยากนะเออเพราะว่าทฤษฎีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานของสมการที่ไอน์สไตน์คิดขึ้นมาเขามีชื่อว่าไอน์สไตน์ฟิวอิควาชันสมการสนามของไอน์สไตน์ นะครับมีความซับซอ้อนมากเราจะข้ามคณิตศาสตร์ไปนะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยนักฟิสิกส์เองก็ยังใช้สม ก, การนี่นะฮะในการศึกษาธรรมชาติปรากฏการเกี่ยวกับความโน้มถ่วงในแง่มุมต่างๆอยู่นะแต่ก็จะดีกว่าสมัยไอน์สไตน์ตรงที่ว่าเราทําแบบจําลองด้วยคอมพิวเตอร์ได้ได้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับเรามีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการคํานวณมันก็จะแก้สม ก, การได้ก็ดีกว่าสมัยไอน์สไตน์อยู่ค่ ะ, คะสิ่งที่ไ <c oughs> อน์สไตน์อธิบายเราเนี่ย <c oughs> มันต่างจากนิวตันยังไงใช่ไหมแล้วแล้วมันมันตีกันไหมจริงๆละคือเอารากฐานของทฤษฎีก่อนรากฐานทฤษฎีความโน้มถ่วงแบบนิวตันที่เราเรียนกันในห้องเรียนเลยนะคือมวลสารเนี่ยสองก้อนมันส่งแรงดึงดูดระหว่างกันแล้วจบแค่นั้นโดยที่ที่ว่างอะไรพวกนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยอาจจะเปรียบอย่างนี้ครับเขามักจะเปรียบกันอย่างนี้เลยนะว่า มวลสารเนี่ยเป็นเหมือนตัวละครในในโรงละครคะเขาก็เล่นละครกันไปโดยไม่ไปพังเวทีละครหรือทําให้เวทีมันไปยุ่งย่ามอะไรกับเวทีหรืออะไรแบบนี้ที่ที่มันเป็ น, ปนที่ว่างที่อยู่ ร, บรบอบๆเนื้อเรื่องก็ดําเนินไปแบบนั้นนะความโน้มถ่วงแบบนิวตันเป็นอย่างนั้นมวลส่งผลต่อการดึงดูดต่อการผ่านสมการของนิวตันจบแต่คอนเซปต์แนวคิดของ GR หรือ general relativity เนี่ยมองว่า มวลเนี่ยนะครับส่งผลต่อ Space Time ที่อยู่รอบๆบทำให้ Space Time ที่อยู่รอบๆเนี่ยเกิดความโคง้งหรือ c คเวชเจอรขึ้นพอมันโค้งแล้วเนี่ยมันก็ทำให้มวลที่อยู่รอบๆเนี่ยตอบสนองต่อความโค้งนั้นเหมือนกับปรากฏการณ์ที่มีแรงโน้มถ่วงเหมือนมันมีปัจจัยอื่นเนี่ยเพิ่มเข้ามาคือแทนที่จะมองว่าที่ว่างเนี่ยเป็นแค่ที่ว่างไม่เกี่ยวข้องอะไร ตัวตนของแรงโน้มถ่วงที่แท้จริงก็คือความโค้งของ Space Time นั่นแหละ<อ>ไม่ได้มองว่าแรงโน้มถ่วงเป็นแรงโน้มถ่วงแล้วแต่เป็นมองว่าความโค้งของสเปซไทม์เนี่ยทำให้มวลที่อยู่รอบๆเนี่ยเคลื่อนไปรอบๆในแบบที่ปรากฏการแรงโน้มถ่วงมันมีคืออย่างนี้ไอ้คําว่า c คเ v เ t u r e หรือความโค้งเนี่ยมันนึกภาพยากมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคณิตศาสตร์เนา ะ, ะแล้วเราอาศัยอยู่ใน Space ที่เป็นคือที่ว่างสามิติมันนึกภาพยาก แท็กซ์บุหนังสือเรียนหรือว่าป๊อปไซต์ทั่วไปก็มักจะให้เราจินตนาการถึงผิว2มิติลองนึกภาพถึง Space ที่มีแค่2มิติก่อนเป็นเหมือนแผ่นยางแชมโพูลีนเหมือนในรูปนี้ก็ได้นะครับในรูปนี้ก็เป็นโลกเนาะอ่าโลกเนี่ยจริงๆก็มันก็จะมีมวลเนา ะ, ะมวลก็จะทําให้ที่ว่างรอบๆบเนี่ยบุ๋มลงไปหน่อยหนึ่งเกิดความโคง้งแล้วดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกเนี่ยมันก็เคลื่อนไปตามความโค้งนั้นโดยธรรมชาติของมันอ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงที่ดึงกันระหว่างโลกกับดวงจันทร์แค่นั้นแต่มีเรื่องของพื้นที่ตรงเนี้เข้ามาด้วยจริงๆความโค้งนั่นแหละคือตัวตนของแรงโน้มถ่วงใช่ค่ะซึ่งซึ่งไอกพส์ไทม์ที่ว่าเนี้คืออยู่ในเอกภพก็ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งในเอกภพสเปซหรือที่ว่างก็มันคือสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทั้งหมดเป็นตัวแปรพื้นฐานไทม์ก็เวลาเนอะเรา จับมันเข้าด้วยกันเป็น Space Time มันก็เป็นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดในเอกภพใช่ฮ ะ, ะสรุปง่ายๆนะโดยหลักการของ GR คือมวลเนี่ยบอกว่า Space Time จะโค้งยังไงแล้วความโค้งเนี่ยมันจะบอกว่ามวลเนี่ยจะต้องเคลื่อนไหวตอบสนองต่อ p a c e Time แบบนั้นอย่างไรอะไรแบบนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาพื้นฐานของสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยแตกต่างจากนิวตันแบบ ค, คนละโลกเลยคนละโลกแบบคนละเรื่องเลยมอง Space Time คนละเรื่องเลย ถ้าถ้ามองแบบที่ไอสไตน์มองบอกแบบนี้ได้ไหมคะว่า Space Time เหมือนเป็นพระเอกเหมือนกันเนอะมันเป็นพระเอกที่แบบ อ, อธิบายเป็นสิ่งที่เกาะเกี่ยวและถักทออยู่อย่างแน่นหนึบถ้าผมเปรียบนะมันไม่ใช่ละครที่เล่นไปบนเวทีแข็งๆเรื่อ ง, งอย่างเดียวแต่มันเป็นเวทีที่มีความนุ่มหยุ่นและตอบสนองต่อตัวละครนั้นตลอดอื ม, มันเป็นเวทีที่พลึกพิลั้นใช่แล้วถ้าเราทําความเข้าใจเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ย เราจะมองเอกภพต่างไปจากแว่นที่ไอแซคนิวตันมองอยังไงคะเนี่ยต่างมากเลยคือแทนที่ Space Time จะไม่เกี่ยวข้องมันเกี่ยวเต็มๆ เ, เลยแต่พูดถึงว่าปรัชญาพื้นฐานแม้มันจะแตกต่างขนาดนั้นนะครับแต่ว่ากฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่นะมไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยถ้าผมจะพูดก็คือมันถูกต้องกว่านิวตันนะแต่ว่าในขอบเขตการใช้งานเนี่ย อย่างเช่นถ้าเราจะส่งจรวดไปดวงจันทร์แล้วกันหรือส่งยานไปยังดาวเคราะห์ต่างๆนะฮะเขาใช้แรงโน้มถ่วงแบบนิวตันนะเพราะว่าสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยจะเข้มข้นชัดเจนก็ต่อเมื่ออยู่ในสนามความโน้มถ่วงที่เข้มมากๆคือแรงโน้มถ่วงต้องแรงมากๆพออยู่ใน weak field หรือแรงโน้มถ่วงที่มันไม่รุนแรงนัดซึ่งก็สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะใช้กฎแรงโน้มถ่วงแบบนิวตันแล้ว ก็คือใช้ได้ทั้งคู่แต่คนละคนละบริบท <Body board. S 1> อถ้า <Body board S 2> แรงโน้มนะถ่วงหือความโน้มถ่วงไม่เข้มไม่แรงพอก็ใช้นิวตันก็แฮปปี้ดีค่ะความแตกต่างอาจจะน้อยมากจนไม่มีมนัยยะสําคัญอะไรเราไม่จําเป็นจะต้องใช้สมบัตธภาพทั่วไปในการคํานวณวิกฟิลด์หรือความโน้มถ่วงอ่อนๆมันเปรียบได้กับการพยายามไปย้ายดอกกุหลาบด้วยการเอารถตักดินไหมย้ายแทนที่เราจะเอาแค่นิวตันหรือช้อนปลูกก็เพียงพอแล้ว ประมาณนี้ได้ไหมเห็นภาพเห็นภาพค่ะคือเนี่ยจะย้ายกุหลาบจากตรงนี้มาตรงเนี้ทําไงดีก็ไม่ต้องเล่นใหญ่ถึงขั้นเอาแบบรถตัดดิรถตัดดิมันมันถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่ามันมันแพงมันเปลืองอืมอแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามองตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยค่ะมันจะกระทบกับการโคจรของดาวการทำความเข้าใจต่างๆบนเอกภพยังไงบ้างคะผลที่ตามมาจากทฤษฎีนี้ผมย้อนกลับไปอย่างนี้ก่อนละกันว่าจุดกําเนิดของทฤษฎีนี้เนี่ย ผลลับมันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายมันมาส่งผลอย่างไรดีไหมในช่วงที่ไอน์สไตน์สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนี้ออกมาเนี่ยนะครับไอสไตนเนี่ยพยายามสร้างมันขึ้นมาตอบคําถามสําคัญมากข้อหนึ่งที่ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงแบบนิวตันเนี่ยตอบไม่ได้เลยนั่นก็คือการโคจรของดาวพุธเป็นดาวดวงเดียวด้วยเหรอคะที่ตอบไม่ได้ใช่คือปกติแล้วเนี่ยด้วยกฎแรงโน้มถ่วงแบบนิวตันเนี่ยดาวเคราะห์ ทุกดวงนะครับจะต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีอแล้วมันก็รีอยู่อย่างอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะคือซ้ํารอยเดิมไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ดาวพุธเองเนี่ยมันก็ต้องรีอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือรีรอบดวงอาทิตย์นะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยพอไปสังเกตการเนี่ยดาวพุธเนี่ยวงรีของมันเนี่ยบิดไปเรื่อยๆนิดหน่อยนิดหน่อยคือแทนที่จะรีตามที่เดิมมันกับไม่ซ้ําที่เดิมมันมันบิดไปเรื่อยๆนิดหน่อยแต่น้อยมากนะ คนในยุคนั้นก็หาคําตอบว่าเกิดจากอะไร<ม>คําตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือเอกภพหรือระบบสุริยะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ดาวพุธเพียงดวงเดียวกับดวงอาทิตย์มันยังมีดาว<ม>สุกดาวอะไรแล้วแรงโน้มถ่วงอื่นๆเนี่ยมันมารบกวนการโคจรของดาวพุธได้ เ, เขาเรียกว่า perturbation คือมันรบกวนนิดหน่อยค่ะพอรบกวนนิดหน่อยแทนที่จะอยู่เป็นวงรีเดิมมันก็บิดนิดหน่อยเ<ม>พราะมันถูกรบกวนไง<ม>นึกๆออกมาฮ ะ, ะก็ฟังดูแฮ ppy ดีมันไม่แฮ ppy เพราะ พอเอากฎแรงโน้มถ่วงแบบนิวตันมาทํานายมาคํานวณการรบกวนนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าตัวเลขการการไม่ซ้ํารอยเดิมของดาวพุธเนี่ยมันได้ไม่ตรงกับสิ่งที่เราเห็นอ๋อหาคำตอบให้มันไม่ได้ <c oughs> ว่าทําไมถึงบิดด้วยค่าแบบนี้ค่านี้ทีนี้พอค่าไม่ตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฟิสิกส์เนี่ยมันวางอยู่บนการคํานวณทฤษฎีก็คํานวณ <c oughs> วัดออกมาก็ได้เป็นตัวเลขซึ่งมันไม่ตรงเนี่ยเรื่องใหญ่มากอคนในยุคนั้นเนี่ยมีการเสนอสมมติฐานแปลกๆเช่นบอกว่าเออหรือมันมีดาวเคราะห์ดวนึงใกล้กว่าดาวพุธ ชื่อว่า oh. ดาวเฝ้าแค้นเทพเจ้าแห่งไฟงร้อนแรงซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนเขาพยายามหาให้เจอ <c oughs> ก็ไม่มีใครใเจอซึ่งมันต้องไม่เจออยู่แล้วเพราะมันไม่มี <c oughs> นะฮะ <c oughs> นั่นแหละทีนี้การบิดตรงนี้ก็ค้างคางมาตั้งแต่ยุคนิวตัน <c oughs> มาเรื่อยมา <c oughs> ไอน์สไตน์ก็เลยสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแล้วค้นพบว่าที่ความโน้มถ่วงแรงมา ก, มากๆซึ่งใกล้กับดวงอาทิตย์เนี่ยดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดใช่ไหม นะดวงอาทิตย์พุธสุโลอค่ะดาวพุธนี่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดมันได้รับอิทธิพลจากความโน้มถ่วงมากที่สุดดังนั้นผลจากทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยจะส่งผลมากที่สุดและผลการคํานวณพบว่าการสายของดาวพุธนะฮะหรือการขยับนิดนึงของมันเนี่ยมันตรงกับการคํานวณของไอสตน์พอ ด, ดีโอพอ ด, ดีเลยออืยิ่งใหญ่มากคําถามที่ค้างคามาตั้งแต่ยุค ข, ของนิวตันถูก ตอบโดยเอาเบิร์ตไอสไตน์ด้วยการศาการโคจรของดาวพุธที่มันมีความวิปริตผิดเพี้ยนเนี่ยมันมันมันถูกแก้ได้ด้วยทฤษฎีของไอน์สไตน์นะฮะแต่ดาวอื่นๆเนี่ยผลต่างๆที่ความโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงไม่ไม่รุนแรงมากเนี่ยนะครับทฤษฎีของไอน์สไตน์จะลดรูปมาเป็นแบบนิวตันซึ่งเราก็ใช้นิวตันไปตามปกติแต่ถ้าเป็นอะไรที่เข้มมากๆแบบความโน้มถ่วงใกล้ๆดาวฤกษ์หรูหลุมดำอะไรแบบเนี้ยก็ต้องไปใช้ไอน์สไตน์แล้วแต่ทีนี้ การอธิบายสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันก็เจ๋งนะค่ะแต่มันไม่พ อ, อ ม, มันยังไม่เท่พอสำหรับไอน์สไต์ผมคิดว่ามันยังไม่เท่พ อ, อ ม, มันต้องแบบถอนรากถอนโคนไอน y สไต์ I ก็มีการตีพิมพ์การคำนวณเลยนะว่าถ้ามีแสงนะครับวิ่งเฉียดดวงอาทิตย์น ะ, ค, ะความโน้มถ่วงเนี่ยจะทำให้สเปซรอบๆหรือที่ว่างสเปซไทมร์รอบๆดวงอาทิตย์โค้งใช่ไห ม, มแล้วความโค้งเนี่ยจะทาให้แสงเนี่ยโค้งไปด้วย ซึ่งมันประหลาดมากเราเราเคยท่องตอนเรียนในโรงเรียนว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงอย<ช>่างนี้ใช่แต่ว่าไอ้สไตล์บอกว่า <c oughs> ไม่ใช่แสงไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงเสมอไปก็ถ้าเจอ curvature หรือความโค้งมากๆเราก็จะเห็นมันโคง้งอนะครับคือมันก็โค้งมา <c oughs> โดนเหมือนความโน้มถ่วงเสมือนว่าความโน้มถ่วงดึงให้บิดโค้งออกมาเสมือนว่ารูปของ curvature ใช่ทีนี้ ไอนสไตน์เนี่ยคำนวณได้ว่ามันต้องโค้งเท่าไหร่คำนวณออกมาได้เลยได้เลยแล้วผลจากการโค้งของแสงที่ไอน์สไตน์คำนวณได้กับทฤษฎีของไอซคนิวตันเนี่ยเลขไม่ตรงกัน อ, อ้าวตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากไอน์สไตน์หรือนิวตันเท่านั้นที่จะต้องถูก ม, มันถูกพร้อมกันไม่ได้เลข ม, มันไม่เท่ากันนึก อ, ออก ม, อมคือมันไม่เหมือน การประนีประนอมกันสีไหนสวยอ่ะชอบบ้านแบบไหนอ่ะเอนัดกันกี่โมงดีอะไรเงี้ยมันแบบประนีประนอมได้อแต่แบบผมคํานวณได้เท่านี้ฟางคานวณได้เท่าเนี้ยมันต้องมีใครสักคนถูกต้องมีใครสักคนผิดอาจจะผิดทั้งคู่แต่มันถูกพร้อมกันไม่ได้ค่ะซึ่งมันแปลว่ามันมีศึกชิงความถูกต้องเกิดขึ้นเรื่องใหญ่เลยอแล้วในยุคนั้นเนี่ยนะครับการพยายามไปตรวจสอบเรื่องเนี้ยถือว่ายิ่งใหญ่มากแสงจากดาว ที่อยู่ไกลกว่าดวงอาทิตย์แล้วมันมาเฉียดดวงอาทิตย์เนี่ยจะเห็นได้ยังไงก่อนอคำตอบก็คือเราเห็นแสงจากดาวได้แม้เป็นตอนกลางวันก็คือการเกิดสุรุ ป, ปราคาเต็มดวง<อ>ถ้าเกิดสุรุ ป, ปราคาเต็มดวง ค, คือดวงจันทร์เนี่ยมันมาบังดวงอาทิตย์อย่างพอดิบพอดีท้องฟ้าจะมืดมแล้วแสงจากดาวเนี่ย เราก็จะเห็นได้แล้วว่าตรงที่มันมาเฉียดดวงอาทิตย์อย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยมันบิดจริงหรือเปล่าอในตอนที่ไอน์สตน์ตีพิมพ์สิ่งนี้ออกมาเนี่ยนักดาราศาสตร์ก็มีชื่อเสียงมากเลยนะมากๆเลยคือตอนนั้นเนี่ยคนนี้ดังดังมากๆเป็นเซเลบชื่อเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันนะเป็นคนอังกฤษเขาก็แบบว่าโอ้โหจริงมากก็เลยลงทุนนะฮะด้านด้นจากอังกฤษนะเดินทางไปที่หมู่เกาะแห่งหนึ่งในแอฟริกาซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงสงครามด้วยนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ไปดูสูตรหรือราคาเต็มดวงแล้วไปวัดเลยว่าใครถูกใครผิดไอสไตล์ <Star> <ม>ก็รอด้วยความลุน้นระทึกอไอสไต์ก็ <Star> ยอมรับว่ามันลุ้นก็ว่าเขาลุ้นนะว่าแบบมันมันอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดกันแน่น ะ, ะผลปรากฏว่าไอสไต์ถูกก็คือโค้งจริงโค้งจริงตามที่ไอสไตล์คํานวณอจริงตัวเลขตรงกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปไม่ได้ตรงกับกฎแรงโน้มถ่วงแบบนิวตันอ ตอนนั้นอนะไอล์สไตล์ดังระเบิดเถื่อเถิงเลยหนังสือพิมพ์มีการลงแบบว่านิวตันโดนโค้น อ, อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องใหญ่อไอล์สไตล์ก็โด่งดังขึ้นมาได้เพราะคุณอาเธอร์อดดิงตันไปพิสูจน์มาให้ไปสังเกตมาไปพิสูจน์มานะครับทุกวันนี้ก็เราไม่ค่อยคนที่เรียน GR อาร์อะไรเงี้ยก็ เ, เพิ่งตื่นเต้นกับกับเรื่องแสงโค้งแล้วเราเห็นมันโค้งกันเยอะแยะเลยในเอกภพยกตัวอย่างรูปที่ที่ขึ้นนี้นะฮะลองดูรูปนี้ ก็เราไม่ค่อยตื่นเต้นเลยละว่าแบบแสงโคง้งหรือมันโค้งอยู่แล้วแล้วก็โค้งตามไอสไตล์บอกระนะครับปรกากฏการณ์นี้เราเห็นทั่วไปในเอกภพเลยตอนที่แสงจากดาวไกลๆเนี่ยบางทีมันเฉียดกาแล็กซี่มวลมากๆแล้วกาแล็กซีเนี้ยมันทําให้แสงโคง้งแต่มันไม่ได้เฉียดขอบเดียวมันเฉียดหลายๆด้านกาแล็กซี่มวลของกาแล็กซีก็เลยทําตัวเป็นเหมือนเลนส์ที่ทําให้แสงเนี่ยเปลี่ยนทิศทางปรากฏการณ์นี้ก็เลยมีชื่อว่า gravitational lensing ปรากฏการเลนของความโน้มถ่วงนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าภาพดาวหรืออะไรที่อยู่ข้างหลังเนี่ยพอผ่านความโน้มถ่วงของพวกกาแล็กซี่เนี่ยมันจะบิดกระจายออกเป็นคล้ายๆวงแหวนเป็นภาพหลายๆอันออกมาอะไรแบบนี้นะฮะก็ซึ่งซึ่งภาพที่เราโชว์เนี่ยเป็นภาพที่ถ่ายภาพได้จริงๆจัดถ่ายจริงๆด้วยเซ็นเซอร์ของพวกกล้องโทรทัศน์ต่างๆนะฮะแล้วก็ปรากฏการณ์นี้ก็มีประโยชน์มากๆนะครับใช้ในการหาว่าแสงมันโค้งไปเท่านี้นะ เราเห็นมวลจริงๆเท่านี้เป็นมวลของสารมืดเท่าไหร่อะไรพวกนี้ <คะ S 2> ช่วยในการหามวลของกาแล็กซีจริงๆได้นึกออกไหมคือมวลมวลของกาแล็กซีที่เราเห็นด้วยตาเท่านี้นะแต่ความโค้งอ่ะมันดันมากเกินกว่าที่เห็นด้วยตาแปลว่ามวลที่ส่งผลต่อความโค้งมันมากกว่านั้นก็น่าจะเป็นมวลของพวกสารมืดหรืออะไรพวกนั้น <c oughs> พอพอเห็นภาพเห็นภาพที่เราขึ้นโชว์แล้วน่าจะเข้าใจเลยแหละเพราะว่าภาพมันเห็นชัดเลยว่ามันโคมันโค ม, มันบิดมันบิดไปนะฮะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่โอ้โหน่าทึ่งมาก <c oughs> เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากแล้วก็สัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยปรัชญาการมองอะไรต่างๆเนี่ยต่างจากของนิวตันไม่พอมันยังทำนายอะไรอื่นๆอย่างที่บอกออกมาอีกเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่ง นักฟิสิกส์ก็พยายามตรวจสอบมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็ยังตรวจสอบไม่หยุดอแล้วก็ยังไ ม, ไม่ได้เจอปรากฏการณ์ความโน้มถ่วงที่ไปผิดหรือขัดแย้งกับสัมพัทธภาพทั่วไปจริงๆนะแบบ ว, ว่าตอนนี้ยังถูกต้องถูกต้องนะอยูถูกต้องแล้วมันมีข้อพิสูจน์อะไรอีกไหมคะที่ทำให้เรารู้ว่าไอน์สไตน์คิดถูกอีกก็มันจะมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอีกหลายปรากฏการณ์นะผมจะเล่าให้ฟังเท่าที่พอจะเล่าได้นะครับเช่น อันนี้จะเล่าค้ำๆหน่อยละกันเพราะว่าเคยอาจจะเคยกล่าวไปหลายหลายครั้งแล้วมันก็คือพวกความช้าลงของเวลาเนื่องจากความโน้มถ่วง อ, อะไรที่อยู่ใกล้ความโน้มถ่วงเข้มมากๆเนี่ยนะฮะเราจะเห็นเวลาเนี่ยมันเดินช้าลงได้นะแต่ถ้าอย่างเช่นเวลาที่อยู่ใกล้ๆขอบหลุมดำเนี่ยสมมติอาิกาเรือนึงนะฮะมันติ๊กๆิ๊กอยู่ดีๆ ม, มันค่อยๆตกเข้าไปใกล้ๆขอบหลุมดำ มันจะติ๊กช้าลงเรื่อย ๆ, ๆ, ๆช้าลงเรื่อยๆช้าลงมากๆตรงขอบที่ความโน้มถ่วงมันเข้มมากๆอย่างเงี้ยความโน้มถ่วงมันส่งผลต่อเวลานะอย่างที่บอกมันทำให้ส่งผลต่อ Space Time นี่ไงมันส่งผลต่อเวลาแล้วก็ส่งผลต่อความผีของแสงด้วยเขาเรียกว่า gravitational red shift สมมุติว่าแสงเนี่ยถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์หรือดาวอะไรสักดวงที่มีความความโน้มถ่วงสูงนะครับแสงที่ออกมาเนี่ย มันจะมีความถี่เลื่อนไปทางสีแดงคือความยาวคลื่นมันจะถูกยืดออกอจากเดิมที่เป็นสีเหลืองมันอาจจะยืดออกหน่อยเป็นส้มๆอะไรแบบนี้ซึ่งมันยืดน้อยมากแต่สุดท้ายเขาก็วัดจนเจอ gravitational redshift มันเกิดจ ร, จ, รจริงๆอะไรแบบนั้นคือปกติเวลาเราเรียนเรื่องคลื่นเนี่ยเราจะรู้ว่าคลื่นมันเปลี่ยนความถี่ได้จากแหล่งกําเนิดหรือตัวเราเคลื่อนที่สัมผัสกันเช่นเสียงรถพยาบาลอย่างเงี้ยนะตอนที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกเสียงความถี่ก็จะเปลี่ยนใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า Doppler effect นะครับคือการเปลี่ยนความถี่ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของผู้สังเกตแต่ตัวเนี้ยคือการเปลี่ยนความถี่ที่เกิดจากความโน้มถ่วงอืคือความโน้มถ่วงเนียส่งผลต่ อ, ตอความถี่ของแสงได้ น, นะครับแล้วถ้าได้เล่าเกี่ยวกับกำเนิดเอกภพซึ่งไม่รู้ตอนไหนอะนะมันจะมี Cosmological Redshift อีกนะเอออันนี้ก็ไว้ว่ากันแล้วกันแต่ตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับสัมพัทธภาพทั่วไปด้วยแต่เดี๋ยวเราว่ากันตอนกำเนิดเอกภพตอนนั้นตอนนั้นคงใหญ่มากอะวันหนึ่งคงอัดได้ตอนเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าเมื่อส่งผลต่อความถี่ของแสงพอความถี่เปลี่ยนสีจึงเปลี่ยนแล้วคะใช่มันเลื่อนไปหาแดงคือสเปกตรัมมันจะเป็นม่วงขาวแดงเียเหลืองแสแดง ตอนแรกปล่อยออกมาสีอะไรมันจะวิ่งวิ่งเฉเๆไปหาแดงอะไรเงี้ยเขาเลยเรียกว่า red shift คือเลื่อนไปทางแดง m, m, ครับแล้วก็ปรากฏการณ์ที่ผมว่าเรื่องนี้จะต้องจะต้องเล่าเลยล่ะก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นความโน้มถ่วงเคยได้ยินมะค่ะมันมันเคยเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงแล้วมันดูเ ป, น<อ>เป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่มากไม่ใหญ่ไม่ได้อืเพราะว่าเนี่ยเป็นผลจากสัมมตธภาพทั่วไปที่โดดเด่นมากค่ะคือ เรื่องนี้ผมว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะปกติเราอาจจะมองงนี้ฮะว่าตัวมวลสารเนี่ยนะถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมันจะทําให้สเปซรอบๆเนี่ยเกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาเรียกว่าคลื่อนความโน้มถ่วงมันกระเพื่อมออกมาจากการเคลื่อนที่ของมันด้วยความเร่งความเร่งก็เช่นการกระชากมันแรงๆคือให้มันเปลี่ยนความเร็วฮ ะ, ะจากที่มันวิ่งเอื่อยๆก็มวลกระชากมันเร็วขึ้ น, น, นหรือจากที่เร็วอยู่แล้วทําให้มันช้าลงอ หรืออะไรก็ตามที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกล ม, อ, มอะไรที่เป็นวงกลมมันมีความเร่งเสมอน ะ, ะมันเป็นความเร่งดึงเข้าตรงกลางเนี่ยนะทีนี้ไอ้ตัวเคลื่อนความโน้มถ่วงที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยจะหาจากอะไรดีจากดาวเคราะห์ law, จากอะไรเงี้ยมันอ่อนมากหาไม่เจ อ, อจะไปหาจากหลุมดําเหรอก็อยู่ไกลมากกว่านจะมาถึงก็แทบจะไม่เห็นอยู่ดีเป็นอะไรที่ท้าทายมากมก็เลยมีงานวิจัยหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมาก ในปีหนึ่งเ็ดสี่เนี่ยมีสองนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์นะฮะคุณโจเซฟเทเลอร์กับคุณรั s เซลเฮลเนี่ยเขาไปค้นพบระบบพาซ่าซึ่งก็คือดาวนิวตรอนสองดวงที่มันโคจรรอบกันและกันค่ะทีนี้ระหว่างมันโคจรรอบกันและกันเนี่ยมันดันเข้าใกล้กันมากขึ้นมากขึ้นอถามว่าทำไมมันเข้าใกล้กันมากขึ้นคำตอบก็คือมันแผ่พลังงานสูญเสียพลังงานออกมามันก็เลย ค่อยๆหดลงโคดวงโคจรลงและการแผ่พลังงานออกมาเนี่ยคำนวณด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแล้วพบว่ามันคือคลื่นความโน้มถ่วงไปเลยอัอตราการลดระยะของมันอะไรพวกเนี้ยนะฮะตรงกับการปลดปล่อยคลื่นความโน้มถ่วงสองท่านนี้ก็เลยได้รางวัลโนเบ ล, ลไปเพราะตรวจจับปรากฏการณ์ที่น่าจะเป็นคลื่นความโน้มถ่วงแบบทางอ้อมได้ไม่ได้เจอตัวคลื่นความโน้มถ่วงแบบเป็นก้อนเป็นเป็นแต่เห็นว่าถ้ามีคลื่นความโน้มถ่วงอยู่จริงแล้ว น, นี่มันนี่ไงมันค่อยๆลดระดับวงโคจรลงเหมือนเหมือนมีหลักฐานะมีหลักฐานแต่การตรวจจับที่มันยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะฮะเป็นข่าวคลึกโครมขึ้นมาในปี2015โดยห้องปฏิบัติการชื่อไลโก้ L I G O นะครับ Las ซอร์อินเ e r ร์ฟอร์มิเตอ a ์กราฟิต o ชช r นอลอาอะไรพวกนี้นะคือสร้างขึ้นมา <laughs> เพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อตรวจจับโดยตรงให้ได้ตัวเครื่องเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนตู้เอใหญ่นะครับ ตัวเอใหญ่เลยอด้านหนึ่งเนี่ยยาวเป็นหลายกิโลอืนะถ้าเคลื่อนความโน้มถ่วงมันแผ่มาโดนเครื่องเนี้ยมันจะทําให้ที่ว่างเนี่ยนะครับบิดหัดหดสั้นลงที่ว่างระหว่างตัวเอลนี่เหรอใช่ตัวตัวที่ว่างสเปซนี่แหละตัวเอนี่มันจะหดสั้นลงนิดหน่อยเครื่องเครื่องออปเสิร์ฟเนี่ยจะลดลงนิดหน่อย<ะ>ไอการลดลงนิดหน่อยเนี่ยเขามีวิธีในการตรวจจับได้ว่ามันลดลงจริงหรือไม่จริงออืซึ่งมันละเอียดอ่อนมากมันหดในระดับและก่ออะตอมอะ แต่เขาก็ไปเจอ <Okay. S 1> ซึ่งมันน่าทึ่งเพราะว่าการจะตรวจจับอะไรที่ละเอีดอ่อนขนาดเนี้มันเทคโนโลยีมันสุดยอดมากมนักวิจัยเก่งมากๆต้องลดนอสล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจอแล้วก็วิเคราะห์ไปถึงขั้นพบว่าแหล่งปล่อยเนี่ยเป็นหลุมดำสองหลุมที่โคจรรอบกันและกันแล้วมันก็ทําให้สเปซกับเพื่อมออกมามเป็นพลังงานออกมาเป็นคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าแสงออืแล้ว มันก็มาหลอมรวมกันบุบเป็นหลุมดําเดียวโอ oh. จากสองหลุมโคจรรอบกันแล้วมันก็ค่อยๆสูญเสียพลังงานโคจรเข้าใกล้กันเมื่อึัก็บุบรวมกันเป็นหลุมเดียวหลุมดําเดียวอแปลว่าคลื่นความโน้มถ่วงที่เอกเครื่องนี้มันจับมันเป็นคลื่นควา ม, มถ่วงมาจากไอ้ปรากฏการณ์ของหลุมดำสองอันนี้เลยใช่ครับทีนี้ผมถามท้องฟงนะังฮะยี่สิบเก้าบวกสาสิบหกได้เท่าไหร่ครับถ้าคุณบอกให้บวกเลข ในตอนนี้คุณอัดรายการมาแล้วสองีพีมีคนตอบให้แล้วว่าหกสิบห้าลองลองกดเครื่องคิดเลขนะยีะ่สิบเก้าบวกสาสิบหกได้หกสิบห้าเก่งมากครับทีมงานปรบมือให้ตัวเอง <c oughs> ทีนี้คือหลุมดำสองหลุมเนี่ยก่อนที่มันจะชนกันเนี่ยมันมีมวลยี่สิบเก้าเท่าของดวงอาทิตย์<อ>กับสามสิ <36 S 2> บหกเท่าของอดวงอาทิตย์แต่พอมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลับได้หกสิบสองมีส่วนที่หายไป ส่วนที่หายไปเป็นมวลสามเท่าของดวงอาทิตย์อสามเท่าคือดวงอาทิตย์สามดวงเลยนะเยอะมากนะนั่นแหละที่ปล่อยออกมาเป็นคลื่นความโน้มถ่วงอที่เจอครั้งแรกนั่นแหละครับมันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าโลกเพิ่งได้เห็นคลื่นความโน้มถ่วงไม่ถึงไม่ถึงสิบปีเลยมั้ง <2015, S 2> ตอนนี้สอันส<ช>ิบห้าใช่ไหมคะแล้วเ อ, อเรานักฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องไลโก้ได้รับ ว, วันโอเบลปีสองพันสิเจ็ดกันหมดมมที่นี้ พอเราทําความเข้าใจเรื่องนี้การศึกษาเอกภพมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยปะไฮพเปลี่ยนไปเยอะมากคือตัวทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ยทานายธรรมชาติบางอย่างของเอกภพที่มันมีดนามิกมีความเปลี่ยนแปลงอยู่อตรงนี้ด้วยอย่างที่บอกอะไรที่เกี่ยวกับเอกภพนะผมจะผมจะผักพระไปในอนาคตเป็นตอนกําเนิดเอกภพให้หมดแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงคือการไปล่วงรู้ว่าเอกภพมีธรรมชาติการขยายตัวอะไรยังไงเนี่ย เขาใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในการอธิบายนะครับดังนั้นมันเป็นเครื่องมือสำคัญมากในการศึกษาภาพรวมของเอกภพนะสัมพัทธภาพทั่วไปยังแบบมีคำตอบบางอย่างที่เป็นอะไรที่เอกซติกแปลกๆด้วยนะเช่นเวิร์มโฮอย่างเงี้ยเคยได้ยินมั้ยรูหนอนเออที่ในฮร์รีพอเตอร์ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นมีเหรองนี้ป่าไม่มีอันนั้นโดเรมอนเฮ้ยเออ ตัดออกตัดออกเดี๋ยวจะมีคนเอาไปตัดไปที้โอเคโอเคต่อค่ะรูหนอนโอเครูหนอนรูหนอนเนี่ย <laughs> ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ยังไม่เจอนะแล้วก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าด้วยก็คือจุดที่สองจุดในสเปซที่มันเสมือว่าเราเข้าทางนี้แล้วไปโผล่อีกจุดหนึ่งได้ในพริปตาอย่างเงี้ย <Hey, S 2> คือมันหอมอ น, ม, นมันจุดที่สเปซมันเชื่อมกันโดยที่เออมันนั่นแหละ <laughs> ซึ่งซึ่งอันนี้เจอหรือยังคะไม่เจอ แล้วก็เป็นเป็นคําตอบที่มันค่อนข้างจะพลึกพิลึกฮะคนก็พยายามศึกษากันอยู่เหมือนกันนะว่ามีรูหนอนแบบไหนได้บ้างถ้าจะหาจะหายยังไงอะไรพวกนี้นะครับเออแต่ถ้าเจอก็นั่นแหละก็จะมีคล้ายๆประตูโดเรมอนนะที่แบบเชื่อมไปอีกที่ได้แล้วก็ยังมีปรากฏการณ์แปลกๆอีกหลายอย่างที่ทํานายโดยทฤษฎีตำพัทธภาพทั่วไปที่ผมให้ได้เล่าสําหรับท่านที่สนใจอาจจะไปฟังอาจจะไปลองหาอ่านเองนะครับเช่นเรื่องปรากฏการณ์เฟรมแร็คกิ้งเอฟเฟก เฟรมดรากกิ้งเนี่ยคือมวลที่มันหมุนเนี่ยถ้าความโน้มถ่วงมันเข้มมากๆเนี่ยมันจะดรากหรือดึงให้สเปซรอบๆบิดไปด้วยเยอย่างอันเนี้ยมันมัน Sta ติกนะคือมันแค่บุ่มลงไปใช่ปะแต่ถ้าเราหมุนอ่ะไอ้ทำโพลีนมันจะบิดไปด้วยแล้วก็ไปหาว่าไอ้การบิดเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหลมไหมล้ําก็มีการทดลองส่งดาวเทียมส่งอะไรเงี้ยครับชื่อ g กาวตี้โพรบีขึ้นไปดูเพราะว่าเฮ้ยมันมันสอดคล้องด้วย ระดับความน่าเชื่อถือระดับนึงเลยแต่ว่าเขาก็ต้องไปหาปรากฏการณ์อื่นๆที่ตรวจสอบสัมพัทธภาพทั่วไปในระดับที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งหรือศึกษาหลุมดําอทุกวันนี้เลยเพื่อนผมเองก็ศึกษาหลุมดําอยู่นะศึกษาในเชิงเทอร์โมจนอ่วมไปละคือเป็นลมไปละก็เริ่มมาศึกษาหาอะไรต่างๆที่เป็นสัมพัทธภาพทั่วไปว่าธรรมชาติของแสงที่อยู่รอบๆหลุมดาเนี่ย จะเป็นยังไงก็โดยสัมพัทธภาพทั่วไปก็จะมีการทํานายปรากฏการณ์ต่างๆเช่นโฟตอนริงจะมีวงแหวนโฟอตอนของแสงเก<ะ>ิดขึ้นหรือมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชาโด้ ม, มีอะไรพวกเนี้ยตรงนี้ก็ยังไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าเจอมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มสัมพัทธภาพทั่วไปว่าถูกในระดับที่ลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆ ล, ลึกขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละคื อ, คอพอฟังดูแล้วสัมพัทธภาพทั่วไปนี่มันเปลี่ยนวงการวิทยาศาสตร์ในช่วงนั้น ไปเลยนะคะไอสไตล์ไอสไตล์เองชีวิตก็น่าจะเปลี่ยนไปจากการที่คิดสิ่งนี้ได้ออกด้วยไหมคะใช่เปลี่ยนดังขึ้นร่ารวยขึ้นมีชื่อเสียงขึ้นนะฮะก็ชีวิตก็ดีเรียกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะเป็นคนที่โลกจารึกส่วนโลกฟิสิกส์ก็เปลี่ยนแบบกลับไปไม่เหมือนเดิมอีกเลยอการศึกษาอะไรต่างๆทุกวันนี้ใช้สัมพัทธภาพทั่วไปแบบไม่มีใครเถียงกันแล้วว่าเอ้ยคือแต่ก่อนเนี่ยไอสไตล์รางวัลโนเบลยังไม่ได้จากทฤษฎีนี้เลยอะ่ะคนยังแบบ ใป่า อ, าอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ใช้เป็นเครื่องมือปกติในทางในทางการศึกษาเอกภพบในการศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับความโน้มถ่วงนะฮะแบบเข้มๆอะไรแบบเนี้ยอฟองว่าที่น่าสนใจคือตัวเลขที่พี่ป๋องแปงบอกว่าเขามาเจอตัวคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยเพิ่งปี2015ันสใช่จะเห็นว่าความรู้หนึ่งที่มันถูกตั้งต้นมาตั้งแต่ยุคของไอน์สตน์อะเราค่อยๆศึกษามันค่อยๆรู้จักมันมาขึ้นได้ผ่านเวลามันนานขนาดเนี้ย เราก็ยังมีสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจมัน 100% อีกมากมายแล้วก็ศึกษาต่อแล้วไม่แน่ว่าในอนาคตมันอาจจะมาคอนเฟิร์มหรือมันอาจจะมาหักล้างเราก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้นะใช่ ม, มันน่าทึ่งมากทั้งสองทางถ้าคอนเฟิร์มเรายิ่งเห็นว่าเครื่องมือหรือทฤษฎีเนี้ยมันทรงพลังมากแค่ไหนแต่ถ้าเจอปรากฏการณ์ที่หักล้างอันนี้เรื่องใหญ่กว่านะแต่ถ้าใครฟังตอนนี้นะน่าจะนึกถึงอีกชื่อหนึ่งก็คือ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษซึ่งเราเคยคุยกันแล้วใน EP พีหนึ่งมันมาก่อนมาหลังเรียงลําดับกันยังไงคะคือไอสไตล์เริ่มต้นสร้างสัมพัทธภาพพิเศษออกมาในช่วงปี1905นะฮะแต่สัมพัทธภาพทั่วไปเนี่ย1915คื19 15, อ, อพิเศษมาก่อนมาก่อนอพิเศษเนี่ยใช้ใน ก, กรณีไม่มีความเร่งความเร็วสูงๆอะไรแบบนั้นนะครับส่วนกรณีที่มีความเร่งซึ่งก็เป็นปรากฏการเกี่ยวกับความโน้มถ่วงเนี่ยก็ ออกมาตามมาในปี1915นะฮะเพราะว่าตัวนี้มันยากกว่าคณิตศาสตร์ก็ยากยากกว่าแบบยากกว่ามากๆอืใครที่อยากจะเรียนเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพวกเทนเซอร์อะไรพวกนี้ยเคยได้ยินไหมครับไม่เคยค่ะ <c oughs> นั่นแหละครับ <c oughs> เป็นพวกคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าพวกเทนเซอร์ใช่มันจะเป็นขั้นกว่าของเวกเตอร์อะไรแบบนี้เนี่ย คุณผู้ฟังก็จะบอกว่าอยากฟังอะไรเงี้ยไม่ค่ะใครฟังตอนนี้แล้วแล้วยังไม่ได้ฟังตอนสัมพัทธภาพพิเศษก็กลับไปฟังกันเราไปฟังดูอยากฟังตามไทม์ไลน์ก็ฟังพิเศษก่อนแล้วก็มาฟังตอนนี้ก็จะรู้ครบทั้งสองเลยเฮ้ยจริงๆแล้วตอนนี้มันจะมีแบบนิวตันก่อนอะต้องไปนิวตันก่อนนิวตันก่อนแล้วก็พิเศษแล้วก็มาทั่วไปอืมเออมันก็จะแบบเรียงไทม์ไลน์เลยใครฟังครบสามอันเมนบอกหน่อยมีรางวัล รอเล่น <laughs> ไม่มีค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ <laughs> แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะใครที่ฟังอยู่ยังไม่ได้กด subscribe ก็กดไว้ได้นะคะมีตอนใหม่ๆมีข้อมูลความรู้ใหม่ๆน่าจะได้ฟังจากรายการใดๆในโลกหลอนฟิสิกส์นะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ในทุกๆ podcast player เลยค่ะแล้ว เ, เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ the standard podcast i y e opening for your ears